ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังฆะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการัชนาพระมหาอาคมธรรมาคโมคแปลเรื่องที่ยี่สิบปดการจำแนกแจกจ่ายปัจจัยสี่ต่ออันหนึ่งพึงทราบวิิชัยในสลากพัด เพราะพระบาลีว่าดูก่อนที่จุดทั้งหลายเราอนุญาตให้จดชื่อในสลากหรือในแผ่นป้ายแล้วรวมกันเข้าแจกกันดังนี้พระพระตุเทศผู้ประกอบด้วยองค์ห้าพึงเขียนอักษรลงในสลากไม้แก่นหรือในแผ่นป้ายที่ทำด้วยตอกไม้ไผ่และใบตาลเป็นต้นอย่างนี้ว่าสลากภพัดของทายกชื่อนูน แล้วรวมสลากทั้งหมดใส่กระเช้าหรือว่าในขนดชีวรแล้วคนกลับไปกลับมาจนกระทั่งถึงทั้งข้างล่างทั้งข้างบนทีเดียวกลับไปกลับมาให้ทั่วถึงกันนะให้เขาถ้าลำดับมีพึงแจกสลากจำเดิมแต่ลำดับไปถ้าไม่มีพึงแจกสลากตั้งแต่ที่เทระอาจลงมาจับสลากนี่ก็ต้องจับตามลำดับเหมือนกันนะ พิกษุผู้มาภายหลังก็ดีพิกษุผู้ตั้งอยู่ในที่ไกลด้วยอำนาจเนื่องถึงกันก็ดีพึงให้ตามในที่กล่าวแล้วในอุเทศพัฒนั่นแหละก็คือถ้าเข้ามาในอุปจาระองศีมาแล้วก็สามารถที่จะมาจับฉลากนี้ได้มีคนรับสลากแทนก็ได้แต่ถ้ายังไม่เข้าในอุปจาระศีมาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาจับสลากนี้หากว่าโดยรอบวัดมีโคจรขามมากส่วนพิกสุมีไม่มาก สลากทั้งหลายย่อมถึงแม้ด้วยอำนาจแห่งบ้านพึงแจกสลากด้วยอำนาจแห่งบ้านทีเดียวว่าสลากกพัฏในบ้านโน้นถึงแก่พวกท่านเมื่อพระพระุทธเทศให้ถือเอาอย่างนั้นแม้ถ้าว่าในบ้านตำบลหนึ่งหนึ่งมีสลากกพัฏหกสิบที่มีประการต่างๆกันสลากกระพัดทั้งหมดเป็นอันเธอให้ถือเอาเสร็จสิ้นไปแล้วในบ้านใกล้เคียงกับบ้านที่ถึงแก่ที่ตุนั้น ยังมีสละกพัฒ์อื่นอีกสองสามที่แม้สละกพัฒ์เหล่านั้นก็ควรให้แก่เธอเสียด้วยเพราะว่าพระพัฒตุเทศไม่สามารถจะส่งทิสุอื่นไปเพราะเหตุแห่งสละกพัฒ์เหล่านั้นได้ชนี้แหลก็แจกกันตามบ้านเลยนะมีสละหกสิบที่ก็แจกกันถ้ามีมากถ้าว่าในบางบ้านมีสละกพัฒมากพึกงกําหนดให้แก่ทิสุเจ็ดรูปบ้างแปรูปบ้าง แต่เมื่อจะให้ต้องมัสลากพัตธสี่ห้าที่รวมกันให้ถ้าว่าถัดบ้านนั้นไปมีบ้านอื่นและในบ้านนั้นมีสลากกพัตเพียงที่เดียวและเขาถวายสลากกพัทนั้นแต่เช้าเที่ยวสลากกพัตแม้นั้นพึงให้ด้วยบังคับแก่พิกษุรูปหนึ่งในบรรดาพิษุเหล่านั้นแล้วสั่งเธอว่าท่านจงรับสลากกพันั้นเสียแต่เช้าภายหลังจึงค่อยรับพัดนอกนี้ที่บ้านใกล้ มีสลักกพัดในบ่บ้านใกล้ก็ให้ไปรับด้วยมีที่เดียวนะในกุรุนทีกล่าวในดังนี้ว่าถ้าว่าเมื่อสลักกระพัดทั้งหลายในบ้านใกล้ยังม่ได้แจกจ่ายกันเลยทิพสนั้นไปเสียด้วยสาคัญว่าได้แจกกันเสร็จแล้วครั้นให้ถือเอาสลักกพัดในบ้านไกลแล้วต้องกลับมาวิหารอีกให้รับแจกสลักกพัดนอกนั้นแล้วจึงค่อยไปบ้านใกล้ เพราะว่าลาบสงจะแจกกันภายนอกสีมาย่อมไม่ได้ต้องแจกภายในสีมาแต่ถ้าพิกูุมีมากสลากด้วยอำนาจแห่งบ้านไม่พอกันพึงให้ถือเอาด้วยอำนาจแห่งถนนหนึ่งหรือด้วยอำนาจเรือนหนึ่งในถนนหรือด้วยอำนาจส ก, กุลหนึ่งในถนนก็ได้ก็แลในถนนเป็นต้นในที่ใดมีพัดมากในที่นั้นพึงให้พิกษุมากรวบถือเอาเอง ทาในที่กล่าวในบ้านนั่นแหละเมื่อตลาดไม่มีพึงจะจงให้ถือเอาก็ได้อันพิสุผู้ให้สลากต้องรู้จักวัดจะแจกสลากก็ต้องรู้วัดเหมือนกันจิงอยู่พิษุผู้ให้สลากนั้นพึงลุกขึ้นแต่เช้าถือบานลนจีวรไปสู่หอฉันกว่าสถานที่ซึ่งยังไม่ได้กวาดจะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กะเวลาว่าบัดนี้ วัดจักเป็นอัรพิสษุทั้งหลายทำเสร็จแล้วจึงตีระฆังเมื่อพิสษจ์ทั้งหลายประชุมกันแล้วพึงให้ถือสลากกระพัดในบ้านที่เขาถวายตามวาระเสก่อนคือพึงกล่าวว่าสลากในบ้านที่เขาถวายตามวาระชื่อโน้นถึงแก่ท่านท่านจงไปบ้านนั้นถ้าว่าบ้านอยู่ในระหว่างทางเกินกว่าหนึ่งคาวุฒก็คือสี่กิโลเมตรทิสุผู้ไปในวันนั้นย่อมเหน็ดเหนื่อยพึงให้เอาเสีย แต่ในวันนี้ทีเดียวพรุ่งนี้สลากในบ้านที่เขาถวายตามวาระถึงแก่ท่านต้องบอกให้เตรียมตัวก่อนทิศุดยถูกส่งไปบ้านที่เขาถวายตามวาระอยู่ไม่ยอมไปจะเลือกเอาสลากอื่นอยาพึงให้แก่ทิศุนั้นเพราะว่าจะเสื่อมบุญของพวกชนผู้มีศรัทธาและจะขาดลาบสง เพราะฉะนั้นแม้ในวันที่สองที่สามก็อย่าเพึ่งให้สลากอื่นแก่เธอพึ่งบอกเธอว่าท่านจงไปยังสถานที่ถึงแก่ตนแล้วฉันเถิดอันนี้ก็เป็นการแจกสลากพัทเพระนั้นนี้จะมาเปลี่ยนเมื่อได้สลากไปแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้แต่เมื่อเธอไม่ยอมไปครบสามวันพึ่งให้เธอถือเอาสลากที่บ้านที่เขาถวายตามวาระใกล้จากบ้านที่เขาถวายตามวาระ หากว่าเธอยอมรับสลากนั้นไซต์จำเดิมแต่นั้นไปไม่สมควรให้สลากอื่นแก่เธอส่วนธนกรรมต้องลงให้หนักคือพึงลงธนกรรมให้ตักน้ําอย่าให้น้อยกว่าหกสิบหรือห้าสิบม้อหรือให้ขนฟืนอย่าให้น้อยกว่าหกสิบหรือห้าสิบมัดหรือให้ขนทรายอย่าให้ย่อนกว่าหกสิบหรือว่าห้าสิบบาท ครั้นให้รับสลากในบ้านที่เขาถวายตามวาระแล้วพึงให้รับวาระเฝ้าวัดพึงบอกเธอว่าวาระเฝ้าวัด ถ, ถึงแก่ท่านพึงให้สลากยาคูสองสามที่และสลากภาพสามสี่ที่แก่พิสุผู้รับวาระเฝ้าวัดแต่อย่าให้ประจําเพราะว่าทายกผู้ถวายยาคูและภพจะเพึงถึงความเสียใจว่าพวกพิสุผู้เฝ้าวัดเท่านั้นฉันยาคูและภพของพวกเรา เพราะฉะนั้นจึงควรให้สลากในสกุลอื่นถ้าว่าพวกพิสุผู้ชอบพอกันของพิสุผู้รับวาระเฝ้าวัดนำมาถวายเองถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีหากว่าพวกเธอไม่นำมาถวายพึงให้รับตามวาระของตนให้นำยาคูและพัดมาให้แก่พิสุผู้รับวาระเฝ้าวัดเหล่านั้นและสลากของพวกพิสุผู้รับวาระเฝ้าวัดเหล่านั้น ย่อมเป็นต่วนเพิ่มแท้ก็คือให้จับสลากได้ด้วยทั้งเธอทั้งหลายย่อมได้เพื่อถือสลั ก, กพัดประนีตแม้อื่นในที่ซึง่งถึงตามลำดับพรรษาด้วยพึงแจกสนามจัดลำดับไว้แผนหนึ่งสำหรับเอกจาริกพัดที่มีกับข้าวเหลือเฟือถ้าว่าสลากอันพิกตุใดได้แล้วแต่พิตุนั้นไม่ได้พัดนั้นในวันนั้น พึงให้เธอรับในรุ่งขึ้นทิ่สุใดได้แต่พัดไม่ได้กับข้าวแม้อย่างนี้ก็พึงให้รับใหม่แม้ในสลักพัดมีนมสดก็ในนี้แลแต่ถ้าว่าได้แต่นมสดไม่ได้พัดอย่าพึงให้รับซ้ำอีกจำเดิมแต่ได้นมสดไปแล้วเอกจาริกพัดสองสามที่ถึงแต่พิสุรูปเดียวเท่านั้นในทุพทิขะสมัยก็คือสมัยที่ข้าวยากหมาแพง พึงเฉลี่ยให้ถือเป็นแผนกแผนในเวลาที่สังะนวกะได้แล้วคือภิกตุที่ใหม่ที่สุดในตรงนั้นได้แล้วสลากพัตามปกติแม้ภิกษุที่ยังไม่ได้ก็พึงให้รับในวันรุ่งขึ้นอันนี้ก็ประเพณีในการแจกแม้กระทั่งสลากกระพัดก็ต้องมีประเพณีมีข้อวัดถ้าเป็นวัดเล็กภิกษุทั้งปวงฉันรวมกันเมื่อจะให้ถือเอาสลากอ้อย จะให้ถึงแก่พิจุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าแล้วปอกถวายพระมหาเถระเป็นต้นในการก็ควรสลากน้ำอ้อยรั้นแจกันแม้ภายหลังพักพึงกรองหรือว่าให้ทำให้เป็นผานิสแล้วถวายแม้แก่พิจุผู้ถือปินดะปาติกะทุดงเป็นต้นต้องรู้ว่าภิษุอคาัานตุกะมาแล้วหรือยังไม่มากรจึงให้ถือเอาสลาก ในอาวาสใหญ่ต้องจัดลำดับให้ถือเอาสลากเปรียงเล่าจะให้ถึงในที่แห่งที่ตุผู้เป็นสภาฆะกันหรือจะให้อุ่นหรือจะให้เจียวถวายพระเถระทั้งหลายก็ควรพึงปฏิบัติตามในที่กล่าวแล้วในอาวาสใหญ่นั่นแลแม้สลากขละมอยสลากขนมและสลากเพสต์ของหอมและระเบียบเป็นต้นพึ่งให้ถือเอาตามลาดับเป็นแผนแผน ก็นแลในตลากเหล่านี้สลากเพศัพ์เป็นต้นย่อมควรแก่ทิุ่ผู้ถือปินทับปาติกะทุดงแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นก็ไม่พึงยินดีเพราะเป็นปัจจัยที่ให้ถือเอาเนื่องด้วยสลากทายกถวายสลากกพัแม้มีแต่ศักว่าพิษารเลิศพึงถามถึงลำดับแล้วให้ถือเอาเมื่อไม่มีลำดับพึงให้ถือเอาตั้งแต่เถระอาจลงมา ถ้าว่าพัดเช่นนั้นมีมากพึงให้แก่พิจุรูปละสองสามที่ถ้ามีไม่มากพึงให้รูปละที่เท่านั้นเมื่อลำดับหมดแล้วตามลำดับพึงให้แต่ที่เถระอาจลงมาอีกถ้าขาดองเสียกลางคันพึงจำลำดับไว้ก็คือแจกไม่พอถ้าสิ่งที่จะมาแจกแจกไม่พอก็ให้จำลำดับไว้ถ้าแจกพัดไม่พอก็จำลำดับไว้แล้วเดี๋ยวมีพัดอย่างนั้นใหม่ก็ให้ไปจำลำดับ แต่ก้าพัดเช่นนั้นเป็นของมีเป็นประจำทีเดียวพัดนั้นถึงแก่พิสุดใดพึงบอกพิสุนั้นว่าท่านได้แล้วก็ตามยังไม่ได้ก็ตามแม้พรุ่งนี้ก็พึงรับพัดายหนึ่งเป็นของที่เขาม่ได้ให้เป็นนิดแต่ในวันที่ได้ย่อมได้พอฉันวันที่ไม่ได้มีมากกว่าพัดนั้นถึงแก่พิสุดใดพึงสั่งพิจุนั้นว่าท่านไม่ได้รับ พึงรับในวันพ่วงนี้เถิดเมื่อให้จับสลากแล้วพิกตุใดมาภายหลังสลากของพิกตุนั้นเป็นอันเลยไปแล้วอย่าพึงจัดแจงให้เลยตั้งแต่ตีระครังไปพิกตุผู้มายื่นมือแลจย่อมได้ลาบคือสลากเป็นแท้เมื่อพิกตุอื่นมาแม้ยืนอยู่ในที่ใกล้สลากก็เป็นอันเลยไปแล้วแต่ถ้าพิกตุอื่นผู้จะรับแทนพิกตุนั้นมีอยู่ ภิกษุนั้นแม้ไม่มาเองย่อมได้มีคนมารับแทนในฐานะที่เป็นผู้ชอบพอกันภิกษุผู้แจกทราบว่าภิกษุโน้นยังไม่มาจะเก็บไว้ให้ด้วยตั้งใจว่านี้สลาของภิกษุนั้นดังนี้ก็ควรควรแจกก็เก็บไปให้ได้นะถ้าว่าภิกษุทั้งหลายทํากติกาไว้ว่าไม่พึงให้แกภิกษุผู้ไม่มาก ต, ติกานั้นไม่เป็นธรรม เพราะว่าพันดะที่จะพึงแจงกการย่อมถึงแก่พิสูตผู้ตั้งอยู่ภายในอุปจาระและถ้าว่าพิสูตทั้งหลายทาเสียงอื้ออึงว่าท่านจงให้แก่พิสูตผู้ไม่มาพึงเริ่มตั้งธันดกรรมพึงสั่งว่าจงมารับเอาเองเถิดสลากหายไปห้าหกที่พระพาตุเทศนึกชื่อถายยกไม่ได้หากว่าพระพาตุเทศนั้นให้สลากที่หายแก่พระมหาเถระหรือแก่ตนแล้ว พึงสั่งพิจุทั้งหลายว่าสลากกระพัดที่บ้านน้นเราให้ถึงแก่ตัวเราท่านทั้งหลายพึงฉันสลากกระพัดที่ได้ในบ้านนั้นเถิดตามนี้ก็สมควรแต่ไม่มอบถวายในวัดได้พัดนั้นที่โรงฉันแล้วจะแจกกันฉันที่โรงฉันนั่นเองหาควรไหมเพราะว่าโรงฉันนั้นอยู่ในบ้านกระแจกลาทรงนี้ต้องแจกในวัดแจกในอพิจารสมา เมื่อทายกกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้ไปท่านทั้งหลายจงรับสลากาพัตของข้าพเจ้าดังนี้จะให้ถือเอาที่ยวตรงฉันในที่นั้นไม่ควรต้องนํามายังวัดแล้วจึงให้ถือเอาอันหนึ่งเมื่อทายกกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงรับสลากาพัตของข้าพเจ้าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปดังนี้พึงบอกแก่พระพรุตุเทศว่าสกุลชื่อโน้นถวายสลากาพัตตั้งแต่พรุ่งนี้ไปท่านพึงระลึกในเวลาให้จับสลาก ในคราวทุบพิกภัยชนทั้งหลายงดสลากกพัดเสียเมื่อถึงคราวหาพิสาได้ง่ายพบพิกษุบางรูปแล้วเริ่มตั้งไว้อีกว่าท่านทั้งหลายจงรับสลากกพัดของพวกข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ไปยาแจกกันภายในบ้านต้องนำมาวัดก่อนจึงค่อยแจกกันเพราะว่าธรรมดาสลากกพัดนี้ไม่เป็นเหมือนอุเทสพัดทายกย่อมหมายเฉพาะวัดถวาย เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรแจกันนอกอุปจาระอนหนึ่งเมื่อทายกบอกว่าท่านทั้งหลายจงรับสลากัดของขาา้าพเจ้าตั้งแต่รุ่งนี้ไปดังนี้ต้องให้แจกันในวัดเหมือนกันส่วนคำมิกะพิกษุหมายถึงพิกสุที่ประสงค์จะไปสู่ที่สาภาคใดสลากที่บ้านที่เขาถวายตามวาระในที่สาภาคนั้นเป็นของอานพิกษุอื่นได้แล้วคำมิกะพิสุจะถือเอาสลากนั้น แล้วสั่งพิจษดนอกนี้ว่าท่านจงถือสลากที่ถึงแก่เราดังนี้แล้วไปก็ควรนี่ก็แลกสลากกันนะสลากที่อยู่บ้านนั้นพิจุดที่จะเดินทางผ่านบ้านนั้นพอดีให้ถือเอาสลากนั้นไปแล้วก็มอบสลากของตนที่ได้ในที่อื่นแก่พิจูุรูปอื่นไปอันนี้ก็ได้แต่พิจษุ น, นั้นต้องให้ถือเอาสลากของคำมิกลพิจูนั้นเสียในเมื่อเธอยังม่ทันก้าวล่วงอุปจาระีมาไปทีเดียว ชนทั้งหลายผู้อยู่ในวัดร้างจัดตั้งสนักพัดไว้ด้วยคิดว่าภิกษุทั้งหลายปรนิบัติต้นโทและเจดีเป็นต้นแล้วจงฉันเถิดดังนี้ภิกษุทั้งหลายครั้งอยู่ในที่ภิกษุผู้ชอบพอกันแล้วไปแต่เช้ามดืดกระทธรวัดในวัดร้างนั้นแล้วฉันพัดนั้นควรอยู่ถ้าว่าเมื่อภิกษุเหล่านั้นให้ถึงแต่ตนเพื่อจะได้ฉันในวันพรุ่งนี้ แล้วพากันไปพิสุอาคันตุกะพักอยู่ในวัดร้างกระทําวัดแต่เช้าทีเดียวตีะระฆังแล้วให้สลากกพัด ถ, ถึงแต่ตนแล้วไปสู่โรงฉันพิสุอคันตุกะนั่นแลเป็นใหญ่แห่งพักนั้นฝ่ายพิสุใดเมื่อพิกษุทั้งหลายกําลังทําวัดอยู่เทียวกว่าที่แผ่นดินสองสามทีแล้วตีะระฆังไปด้วยทําในใจว่าสลากกพัดที่บ้านไกลถึงแต่เราสลากกพัดนั้นย่อมไม่ถึงแต่พิสุนั้น ก็เธอถือเอาด้วยอาการดังโจร่อแกล้งนะมาทำวัดกว่าแค่สงทําทีแล้วก็จะไปถือเอาสรรกพัฒนนี้ย่อมเป็นของพิจุผู้กระทำวัดเสร็จแล้วให้ถึงแต่ตนมาภายหลังเท่านั้นบ้านหนึ่งอยู่ไกลนะับพิษสุดทั้งหลายนม่ปรารถนาจะไปเป็นนิดชนทั้งหลายจึงกล่าวว่าผู้ขับจ้าเป็นผู้เหินห่างบุญ จึงพูดกับพิสูจน์ทั้งหลายที่ชอบพอกันในวัดใกล้บ้านนั้นว่าในวันที่พิสูจเหล่านี้ไม่มาพวกท่านจงฉันแทนอันหนึ่งสลากนั้นต้องให้จับทุกวันก็แลสลากเหล่านั้นแหลไม่เป็นอันพระพระสุเทศนั้นให้จับแล้วด้วยอาการสักว่าตีระคำหรือสักว่าคนกระเช้าแต่ต้องจับกระเช้าเกลี่ยสลากลงบนตางและอย่าจับกระเช้าที่ขอบปาก เพราะถ้าว่ากระเช้านั้นมีงูหรือแมลงตองมันจะก่อทุกข์ให้เพราะฉะนั้นต้องจับข้างใต้หันปากกระเช้าออกนอกและครั้นจับกระเช้าแล้วพึงเกลี่ยสลากลงถ้าแม้จะมีงูมันก็จะหนีไปข้างโน้นเที่ยวเพราะฉะนั้นจึงต้องเกลี่ยสลากอย่างนั้นสลากพึงให้จับเนื่องด้วยบ้านเป็นต้นตามในที่กล่าวแล้วในก่อนนั่นแลจับสลากนี้ก็ต้องระวัง จะมีสัตว์ร้ายมีงูมาแดงป่องเข้าไปอยู่ในนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้อมือล้วงลวงไปแต่ว่าต้องจับที่คน้นกระเช้าแล้วก็เทออกมาอีกประการหนึ่งที่สุผู้แจ ก, กสลาดนั้นให้สลากหนึ่งถึงแก่พระมหาเถระแล้วจึงให้ถึงแก่ตนว่าสลากที่เหลือย่อมถึงแก่เราดังนี้ทาวัดไหวเจดีแล้วยืนอยู่ที่โรงตรึกเาเรียกว่าวิตตักกะมาละกะ ก็คือตรึกว่าจะไปบ้านไหนดีไปแสวงมหกิวณนะก็จะมีโรงตรึกมือกันไปตรึกแล้วก็ระหว่างเดินไปไม่ให้ตรึกถึงเรื่องเหล่านั้นและก็ตรกกรรมฐานไปเอาก ร, รมฐานไปเอาก ร, รมฐานกลับแต่ขณะที่จะไปบินธบาต่ก็มีโรงตรึกว่าจะไปบินธบาต ท, ที่บ้านไหนก็ให้ตรึกี่โรงนั้นเมื่อพิสูจทั้งหลายถามว่าอาวุโสท่านแจกสนากแล้วหรือจึงตอบว่าครับ ขอท่านผู้เจริญจงไปรับสรากับพัดในบ้านที่ถึงแต่ท่านเถิดจึงอยู่สากแม้ที่ถึงแล้วอย่างนี้จัดไร้ถึงแล้วด้วยดีเหมือนกันทศสุดทั้งหลายจะไปสู่วัดอื่นเพื่อฟังธรรมตลอดทั้งคืนจึงสั่งว่าเราทั้งหลายไม่รับทานในที่นั้นละจัดเที่ยวบินทบาทที่โจคจรทามของเราแล้วจัดมาดังนี้ไม่รับสากแล้วไปเสีย ทิฏูิเหล่านั้นจะมาเพื่อฉันสลักภพที่ถึงแก่พระเถระในวัดเช่นนี้ก็ควรถ้าว่าแม้พระมหาเถระก็ไปกับทิฏสุเหล่านั้นด้วยคิดว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่นี้ทิฏฐิเหล่านั้นไม่ได้ฉันที่วัดซึ่งตนไปเที่ยวไปตู่โคจรทามตามลาดับอย่าพึงให้บาทในเมื่อทายกกล่าวว่าท่านผู้เจรเินจงมอบบาตให้เถิด ข้าพเจ้าจาักนำสลากยาคูเป็นต้นมาถวายเมื่อเขาถามว่าเหตุไรจึงไม่ให้เล่าท่านผู้เจริญพึงตอบเขาว่าพระที่เจาะจงวัดย่อมถึงแต่พิจุตทั้งหลายผู้อยู่ในวัดเราทั้งหลายอยู่ในวัดอื่นก็เมื่อเขากล่าวว่าโปรดให้เถิดท่านผู้เจริญข้าพเจ้าหาได้ถวายแก่ผู้อยู่ประจาแห่งวัดไม่ข้าพเจ้าถวายแก่ท่านขอท่านจงรับพิษาของข้าพเจ้าเถิดดังนี้ สมควรให้บาดไปได้อันนี้ก็เป็นคาถาว่าด้วยสลกะกพัจบแล้วต่อไปก็จะเป็นพัดประเภทที่ห้าเาเรียกว่าปักขีกพัทส่วนในปักขีกพัทก็คือพัดที่ถวายประจำปักปักหนึ่งมีสิบห้าวันเป็นต้นมีเนื้อความดังต่อไปนี้พัดใดอันชนทั้งหลายผู้ขวนขวายในการงานถวายในวันปัก ที่บัณฑิตกาหนดไว้เหล่านี้คือวันสิบสี่ค่ำวันสิบห้าค่ำวันห้าค่ำวันแปดค่ําเพื่อต้องการเตือนสติสําหรับธทมอุโบสถพรกน้นชื่อว่าปักขิกพัดปักขิกพัดนั้นมีคติอย่างสลักกพัดนั่นเองพึงให้พิกษุทั้งหลายรับไปฉันถ้าว่าสลักกพักดก็ดีปักขิกพักดก็ดีมีมากทั่วถึงใจพิกสุทั้งปวง ถ้าพัดตุเทศพึงให้ถือเอาพัดแม้ทั้งสองเป็นแผนกแผนกจะเป็นสลักกับพัหรือว่าเป็นปฏกขกัพัดไปแยกกันไปเลยสลักกับพถึงลำดับที่เท่าไหร่ปักขีกัพัดถึงลำดับที่เท่าไหร่ไปแยกเป็นแผนกไปถ้าว่าภิกษุสองมีมากพึงให้ถือเอาปักขีกัพัแล้วจึงให้ถือเอาสลกกับพต่อลำดับแห่งปักขีกัพันั้นก็ได้ให้รวมกันก็ได้แจกตามลำดับภาษารวมกันทั้ง สลักภพแล้วก็ปักขีภพแต่ว่าต้องให้เธอเอาสลักภพต่อจากปักขีภพแจกปักขีภพก่อนแล้วก็แจกสลักภพที่หลังพัดทั้งสองนั้นยังไม่ถึงแก่พิสูเหล่าใดพิสูจเหล่านั้นจากเที่ยวบินทบาทก็คือถ้ามันหมดก่อนพิสูุนนั้นก็ไปเที่ยวบินทบาทเสียแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีพัดเหล่านี้มาใหม่พิสูจน์ลำดับนี้ยังไม่ได้ผ่านสามารถที่จะรับตามลําดับได้ แม้ถ้าว่าพรดทั้งสองมีมากพิกสุมีน้อยพิสุย่อมได้สลากกับพัดทุกวันเพราะฉะนั้นพึงงดสลากนั้นเสียให้แต่ปักขิกพัดเท่านั้นว่าผู้มีอายุต้นจงฉันปักขิกพัดเถิดดังนี้พวกทายกถวายปักขิกพัดตอนนี้พึงจัดลําดับไว้ต่างหากไม่พึงให้ถือเอาปักขิกพัดแต่ในวันนี้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันปัก ก็แล้วถ้าทายกทั้งหลายกล่าวว่าพรุ่งนี้แลในเดือนของพวกข้าพเจ้าจากมีพัดเศร้าหมองขอท่านจงแจกปักขิกพัดเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวจะให้ถือเอาอย่างนี้ก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องของปักขีกพัดอีกอันนึงก็คืออุปโปสติกพัดที่ชื่อว่าอุปโปสติกพัดนั้นเึงทราบดังนี้บุคคลธรรมทานองค์อุโบสถ ในวันอุโบสถทุกเกินเดือนแล้วตนเองบริโภคพัดใดพัดนั้นแหลอันเขาย่อมให้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุโบสถิกพัดก็คือพัดในวันที่เขารักษาอุโบสถความบริโภคพัดอย่างไรเขาก็ให้พัดอันนั้นแหละที่ชื่อว่าปาติปดิกะพัดนั้นได้แก่ทานที่ทายกให้ในวันปาฏิบทก็คือวันแรมหนึ่งค่ำเนี่ย วันหนึ่งค่ำหลังจากวันอุโบสถแล้วแทนหนึ่งค่ำขึ้นหนึ่งค่ำด้วยกำหนดหมายว่าในวันอุโบสถชนเป็นอันมากผู้มีศรัทธาเลือ่อมใสย่อมทำสการะแใ่พิกษุน์ทั้งหลายส่วนในวันปาฏิบทภิสูจทั้งหลายย่อมลําบากก็เหมือนกับทุกวันนี้คนก็แหกันไปทําบุญในวันพระหลังจากวันพระไปพระพิสูุน์ก็อดเพราะว่าไม่มีใครไปทําบุญทานที่ถวายในวันปาฏิบทย่อมเป็นกุศลมีผลใหญ่คล้ายทุพพิกขตทาน เพราะว่าเขาไม่นิยมไปถวายในวันอื่นไปถวายในวันพระเท่านั้นวันอื่นก็เลยเหมือนกับข้าวยากหมากแพงเลยนะหรือทานที่ถวายในวันที่สองแต่ทิจูผู้มีศีลบริสุทธิ์ทั้งหลายเพราะอุโบสถกรรมวันอุโบสถกรรมพระพิก็จะลงอุโบสถแล้วก็แสดงอาบัติกันนั้นถวายในวันรุ่งขึ้นก็เท่ากับเป็นการถวายกับทิจุผู้มีศีลย่อมเป็นกุศลมีผลใหญ่ดังนี้ พัดทั้งสองแม้นั้นมีคติอย่างสลากกพัดเหมือนกันพัดทั้งเจ็ดอย่างนี้ไม่ควรแก่ปิกษุผู้ถือปินดาปาติกะทุดงย่อมกระทำความทำลายแห่งทุดงเป็นแท้ด้วยประการชนี้พัดเจ็ดอย่างนั้นก็ตั้งแต่สังกะพัดอุเดจิกะพัดแล้วก็นิมันตนะพัดพัดที่นิมนต์สนากกพัดสนากกพัตนล้วก็ปักผีกะพัดปักิกะพัตก็หมายถึง พัดที่ถวายตามปักอุปโสติกะพัดปาติปาดิกะพัดเจดอย่างนี้พาติสุที่ถือปินละปาติกะตุดงนั้นไม่ควรรับทําให้ทุดงแตกโดยประการชนี้ยังมีพัดเหล่าอื่นอีกหลายอย่างซึ่งก็จะไว้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็หมดเวลาขออนุโมทนาสาธุเนี่ยท่านทั้งหลายผู้ได้ยินใน้ฟังพระวินยัยแล้วก็คอยเป็นปัจจัยเกิดการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมะ ด้วยการทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธุ